ใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราะจะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าส บ, บายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกปรับท่านั่งให้ถูกส่วน อย่างสบายสบยและก็ผ่อนคลายตั้งผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส ไรกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากคนสัตว์สิ่งของถามเราหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลก แล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายง่ายอย่างสบายสบายอย่างผ่อนคลายแล้วก็ใจเย็นเย็นอย่าไปตั้งใจเกินไปนะจ๊ะตั้งสบาย ตั้งผ่อนคลายค่อยๆวางใจไปแตะที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างนุ่มๆทำใจให้นิ่งๆ น, นุ่มๆเบาๆต้องเบาๆ ต้องสบายสบายใจถึงจะรวมได้ง่ายนะจ๊ะต้องสบายสบายอย่าไปเพ่งไปจ้องนะจ๊ะให้นิ่งนิ่งนุ่มนุมเบาๆสบายสบาย แล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสใจอยู่จนในกลางดวงใสใสคือนึกถึงเพชรสักเม็ดหนึง่งหรือก้อนน้ำแข็งใสใสกลมๆเหมือนดวงแก้ว ให้นึกธรรมดานึกสบายสบายคล้ายๆเรานึกถึงภาพดอกบัวดอกกุหลาบอย่างนั้นแหละนึกสบายสบายตั้งสบายสบายตั้งใจใส่ นึกได้แค่ไหนก็อเอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายนึกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งๆ น, งนมๆเบาๆไปสบายโดยประกรรภาวนาในใจ เบาๆ ว, ว, ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหัสัมมาอรหังจะภาวนากี่ครั้งก็ได้จะกระทั่งไปถึงจุดที่เราไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไป อยากหยุดใจนิ่งๆเฉยนิ่งๆ น, น, นุ่มๆเบาๆนะจ๊ะประคองใจกันไปอย่างเนี้ยสำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะให้นิ่งนุง่มเบาสบายเดี๋ยวใจจะถูกส่วนเอง เมื่อเราทาถูกวิธีถูกต้องอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวใจก็จะถูกส่วนเวลาใจถูกส่วนมันจะกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างเงี่ยงเงแล้วร่างกายของเราจะกลวงจะเป็นพลงจะเป็นช่องว่าง ร่างกายจะขยายให้ออกไปจนหายไปเลยเหมือนเลื่นไปกับบรรยากาศแล้วใจก็จะอยู่นิ่งๆลงๆ่งๆกลางอวกาศถ้าเราทำถูกวิธีนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเอง เรื่องกับไปเองจะไม่ตึงไม่เกร็งไม่เครียดทั้งร่างกายจิตใจจะผ่อนคลายจะสบายจะเหลือแต่สติกับสบายคือใจอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่ในกลางกาย อย่างไม่กดดันต้องสบายต้องใจเย็นเย็นต้องนิ่งนนุ่มนมนันราต้องอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวใจจะใสเอง จะสว่างขึ้นมาเองหลับตาแล้วก็จะไม่มืดมันจะมีความสว่างภายในแ ต, แต่เหมือนฟ้าสางๆเรื่อยไปจกนกระทั่งเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าจะใสเย็นไม่จ้าตาไม่แสบตา ใสยันสบายสำหรับพุทธิธรรมเป็นแล้วนี่นะจ๊ะเข้าถึงดวงธรรมได้ก็นิ่งในนิ่งต่อไปก็เรื่อยๆฝึกหยุดแรกให้ํำนอนให้คล่อง หยุดแรกเนี่ยนะจะสำคัญมากทีเดียวเดี๋ยวหยุดในยหยุด ต, ต่อไปเนี่ยก็จะง่ายแม้ทำไปแล้วเนี่ยก็ต้องฝึกตรงนี้นิ่งๆ น, งนมๆดูดวงไปเรื่อยๆอย่างสบายๆ ให้ใจนิ่งนิ่งอยู่ในกลางดวงใสใสด้วยใจที่เยือกเย็นถ้าเราทถูกต้องถูกส่วนดวงนั้นก็จะขยายออกไปเองขยายไปรอบตัว แต่ยังไม่ถูกส่วนก็จะเป็นดวงนิ่งๆเฉยๆถ้าตั้งใจมากแม้เห็นดวงแต่ก็จะยังไม่เจอความสุขแต่ไม่ทุกจะอยู่ในระหว่างไม่สุขไม่ทุกเคืยเลยความทุกแต่ยังเข้าไปถึงความสุขเป็นแต่เพียงว่าใจมันนิ่ง ในในระดับ 90% แต่ยังกดดันอยู่คือยังมีความพยายามที่จะใช้กำลังบังคับภาพนั้นจึงยังแข็งแข็งม่นุ่มยังติดนิสัยอยาบหยาบทางโลกทางโลกจะทำอะไรให้สำเร็จ ก, ก็ต้องใช้ความพยายาม ต้องออกแรงอะไรต่างๆเหล่านั้นทางทำมันกลับแตละปัดต้องง่ายๆตั้งสบายๆถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ยดวงมันจะอ่อนนุ่มจะใสๆและจะขยายออกได้ ควาสุก็จะค่อยๆเริ่งโกิดขึ้นจนเรายอมรับว่า น, นี่คือความสุขที่ไม่เคยเจอยิ่งใจเรานิ่งๆนุ่มๆ น, นานๆจากนิ่งนุ่มนานๆก็จะกลายเป็นเน่งนุ่มแล้วก็หนาแน่นเป็นนิ่งแน่น แต่ว้านนิ่งนุ่มแน่นแล้วก็นานๆคราวนีด้ดวงอาจจะใสสว่างขยายให้เราเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในดวงนั้นได้อย่างง่ายๆพอเรทาทำตรงนี้ซ้ำซ้ำซำ้บ่อยบยให้คล่องให้ํำนาน แมทํำนานแล้วก็ยังต้องนำซ้ำๆการเคลื่อนกับไปสู่ภายในก็ยิ่งเงยความสุขก็เพิ่มพูนขึ้นทับทวีขึ้นมาจนเราไม่ต้องการอะไรเลยจากดวงนี้ก็จะพาไปเห็นดวงในดวงไปเรื่อยๆ เ, เลย ธาดวงจะเชื่อมากับกายก็จะมีหกดวงซ้อนซ้อนกันอยู่ที่ใสละเอียดบริสุทธิ์จะซนซ้อนกันอยู่ดวงน้ก็จะปรับสภาวะของใจของเราให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้น ครันใจให้ใสใสบริสุทธิ์ก็จะเชื่อมกไปถึงกายภายในได้อย่างง่ายๆเราจะอาศจรใจเมื่อเราเห็นตัวเราเองอยู่ข้างในตัวของเราเที่ดูสดใสกว่าในวัยเจริญ ในอริยบทของสมอธิถึงตรงนี้เราก็ต้องทำซ้ำๆๆคือทำทุกวันไม่ว่างเว้นนะจ๊ะแม้เราอยู่ทางโลกจะทำมาหากินอะไรก็แล้วแต่ทำมาค้าขายทำมาสร้างบารมี ข้างนอกเคลื่อนไหวแต่ข้างในใจต้องหยุดนิ่งฝึกตรงนี้เอาให้คล่องให้จำนอนเดี๋ยวการปรับสภาวะก็จะเป็นไปเองใจก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆต้องทำซ้ำๆบ่อยๆเนืองๆ ภาษาบาลีก็ว่าภาวิตาพาหุลีกตาตั้งบ่อยบ่อยตั้งหนึองเนืองแม้ทำํำนานแล้วก็ยังตั้งบ่อยบยตั้งหนึองเนืองซ้ำซ้ำพอมั่นคงแล้วแล้วก็ เราจะอาศจรใจกายภายในเปลนกลายมนุษย์ละเอียดเนีเราจะย่อให้เหลือนี้เดียวเล็กเท่ากับลายเข็มก็ยังเห็นชัดเจนเหมือนเห็นตอนโตเหมือนกายขยายโ ต, โตัวโต ซึ่งมันน่าอัศจรรย์ใจมาสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจอยู่ภายในกลางกายของเราแม้เล็กเท่ากับลายเข็มก็เห็นรายละเอียดของกายนั้นได้ในทุกๆ ก, กาย ทำเป็นแล้วก็กต้องมาฝึกตรงนี้ซ้ำๆๆไปเรื่อยๆ เ, เลยกลายภายในก็จะปรับสภาวะจากกายของเครือขัด่นกายมนุษย์ละเอียดที่ปลอมรูปปั้มให้สูงส่งขึ้นไปเรื่อย จนกระทั่งไปถึงกายพระข้างในคือบวชภายในเป็นพระธรรมกายข้างในใสๆเหมือน ค, อคล้ายๆการบวชภายนอกแังทานกระหัสมาเป็นนาคจากนาคมาเป็นเนน เนี่ยมาเป็นพระเกิมีความบริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆกิก็มาเลรพบเจรจาก็ต้องการมาสะสางอาจทํามที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยให้มันหมดสิ้นไปให้เหลือแต่ทาตาุมที่บริสุทธิ์ล้นล้นคือเป็นกายพระ ร่กายพระก็จะต้องกลั่นกันแต่ต่อไปเรืเ่อยๆจะต้องสุดท้ายเป็นกายพระอระหันนั่นแหละสาบริสุทธ์หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายจะต้องสาสางสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ให้หมดสิ้นไปเอ่ยู่ในธาตุในธรรมในเห็นในจำในคิดในรื่องเรานี่แหละ ไอ้มันหมดสิ้นไปด้วยการทำใจให้หยุดนิ่งเพระะจะนึงคำว่าใจหยุดนิ่งนี่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราเข้าใจหรือจินตนาการจะไปถึงใจที่หยุดนิ่งนี่แหละจะทำให้สำเร็จบริบูรณ์ในทุกสิ่ง จะสะสางเข้าไปเรื่อยๆกลันธาดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศที่ประกอบเป็นกายเป็นใจเป็นอะไรต่างๆเหล่านั้นให้สะอาดให้บริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆกลั น, นังทมซึ่งเป็นที่รองรับธาตุต่างๆเหล่านั้น ให้บริสุทธิ์ก็ไปเรื่อยๆกลานตั้งเห็นจาจไปรู้คือใจให้ใสๆให้บริสุทธิ์นี่คือวัตถุประสงค์การเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละครั้งแต่ละภพแต่ละชาติจะต้องสังสากันอย่างนี้ไปแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ย มนุษย์จะไม่ใครจะรู้เรื่องเพราะพยายามมามาบดบังเอาไว้เขาจะประกอบธาตุทำเอาที่ไม่บริสุทธิ์มาบดบังเอาไว้ที่เราได้ยินมาอะวิชานั่นแหละให้เราไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือประมาทชีวิต แล้วก็จะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรน่าจะไม่ให้รู้แล้วก็ยังทำจิตของเราให้หมืดหรือหลับตาแล้วเราหมืดจนกระทั่งเราไม่รู้เลยเบื้องหลังความมืดมีความสว่างมีความลับของชีวิตอีกเกี่ยวข้องกับตัวลาสร ป, ปสัตว์แลสปปะสปสิ่งทั้งหลาย อยู่ตรงนั้นสิ่งทีกเบทบังใจให้มืดเขาเรียกว่านิวรณทั้งห้าตัณฑ์การมอาจารย์พยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นคือตรึงใจของเราพยายาม ก, ก็ก็ดึงใจของเราไปตรึงติดเปกับสิ่งภายนอกติดในรลปเสียงกิสรสัมภัทธรรมลม ติดในลาบยศสันเสริแบบโลกโลกแล้วก็ให้มีความกโกรธความผูกพยาบาทกัดแค้นใจกันไอจิตของเราไปวนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านั้นอยู่ภายนอกแล้วก็ให้สงสัยในเรื่องราวต่างๆ อยแต่เรื่องพบเรื่องชาติเรื่องอะไสรสลับปัดแมยผ่านดาต่างๆมาได้ก็ยังสงสัยว่าเราจะทําได้ไหมหลังเลสงสัยอยู่นอกจากสงสัยในเรื่องต่างๆเหล่านั้นต้องใส่เยอะแยะเลยตรึงไปติดเหล่านั้นจะก็จะไปคิดว น, นๆเหล่านั้น เอาไปติดกับความฟุ้งในเรื่องสารพัดเรื่องความทอ้อความง่วงอะไรต่างๆแบบโลกโลกเขาอย่างนั้นแหละติดแบบเรื่องโลกโลกเมื่อถูกบทบังในความไม่รู้แล้วก็นิวอรอนง้าอย่างนี้เป็นต้นใจของเราก็เลยมืดบอดติดทางโลกก็หมดเวลา กับชีวิตทางโลกแถมในการกระทำของตัวยังตกอยู่ภายใายกฎแห่งกรรมอีกใจยังไม่หยุดเลยมีแต่ทยานอยากไปในสิ่งเหล่า น, นั้นเป็นความอยากที่ไม่ได้ประกอบไปได้วยปัญญาในความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิตหรือความเป็นจริงของชีวิต ยิงตรงค้าวกับความอยากที่จะดับทุกข์อยากพ้นทุกข์อยากไป น, นิพพานอย่างนี้เป็นความอยากที่ประกอบไปด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นใจหยุดจึงเป็นสิ่งสำคัญมากมากที่สุดในชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์ดังนั้นเราควรจะให้เวลากิจเรื่องใจหยุดหนึ่งให้มากๆเราจะได้ เข้าถึงความสุขที่แท้จริงกข้าถึงเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตที่สําคัญนี้จะได้สะสางธาตุธรรมิจํามกิโลของเราเนี่ยให้สะอาดให้บริสุทธิ์จึนั้นั้งธาตุแห่งความบริสุทธิ์เข้ามาแทนที่ธาตุหม่บริสุทธิ์เหล่านั้นธาตุแห่งความบริสุทธิ์ก็จะมาพร้อมกับความสุข ความสะอาดคว า, าวาความสว่างความสงบความสูงส่งของจิตใจเป็นตน้นและความรู้อะไรต่างๆมากมายไปตามความจริงซึ่งเป็นความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งเพราะความสว่างภายในเกิดทำให้เราเห็นดวงธรรมเห็นกายภายใน เห็นชีวิตที่ซับซ้อนอยู่ายในที่ลึกซึ้งก็ไปเรื่อยเห็นเป้าหมายชีวิตได้ชัดเจนพลังใจก็จะมุ่งไปเพื่อขจัดสิ่งที่เป็นมลทินของใจให้มันหมดไปใจก็จะได้ใสสะอาดบริสุทธิ์สว่างสวัย สว่างก็ไปเอยๆภายในเวลาที่เหลืออยู่นี้นะจ๊ะให้รู้ทุกคนหยุดนิ่งๆ น, นุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆ ใ, ใจเย็นๆให้ไปถึงความสว่างให้ไปถึงดวงตามภายในให้ได้ ไปถึงกายภายในกระทั่งถึงกายคนรู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วคือกายธรรมถึงพระธรรมกายให้ได้กายองค์พระที่ใสที่บริสุทธิ์สวยงามมากประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบโวนทุกประการเกศดอกบัวตูมใสเกินความใสใดๆในโลก นั่งสงบนิ่งอยู่็นแผน่นชาดเราจะใสสว่างไปต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ